จากนั้นได้เดินทางไปวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีทำการยติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2467รงับขึ้นสองค่ำเดินสาขณะนั้นอายุ23ปีกับพระธรรมเจดีจูพันทุโลขณะนั้นเป็นที่พระครู ชิโนว่าทำโรงว่าที่รักษาตำแหน่งเจ้าคณะมณพลอุดรโดยที่พระครูอดิสัยคุณาทานคําอารโกเจ้าคณะจังหวัดเลยว่าศีสะอาดเป็นกรรมวาจารย์แต่รูปเดียวเมื่อได้ทำการยาติแล้วกลับไปหาอาจารย์ทั้งสองอบรมกรรมฐานต่อไปจำาภาษาที่วัดอรั ญ, ญวาสี อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2468ได้ไปจำพรรษากับพระอาจารย์สิง์ขันตยาขโมงที่วัดป่าอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครในพรรานา้ีพระอาจารย์คำมีผู้เป็นพี่ชายของพระอาจารย์อ่อนสังกัดมหานิกายไปอยู่ด้วยเพื่อฝึกหัดภาวนา จึงเกิดไข้ป่าอย่างแรงเดือนแปดแรงแปดค่ำพระพี่ชายของท่านวรนภภาพพุทธศักราช2469ับได้เป็นจำนศาศาศาพรรษากับพระอาจารย์สิงห์ธัตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลที่เสนาสนักป่าตำบลหัวตะพานอำเภออำนาจเจริญจังหวัด อุบลราชธานีพุทธศักราช2470ประจําภาษากับพระอาจารย์สิงห์สันรรตยาพโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลที่เสนาสนะบ้านฝ่าหัว ง, วงัวตำบลไผ่ช้างอําเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2400 71. ไปจําราษาที่วัดป่าตําบลสาวัถีอําเภอพระภักจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช 2472. ไปจาปํ า, ารา ษ, 73, ษาทิ่วัดป่าตำบลสาวัถีเช่นเดียวกันพุทธศักราช 2473. ืไปจําราษาที่วัดป่าบ้านพระคืออําเภอพระภักจังหวัดขอนแก่น พุทธศักราช2474ประจำพรรษาทวดป่าบ้านเหล่างาคือวัดป่าวิเวทธรรมอยู่ติดกับโรงพยาบาลโรคปอดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพุทธศักรา24ช2475สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนเปโสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระเทพเมธี เจ้าคณะมนทนรนนครราชสีมามีบัญชาเมื่อวันที่หกพฤษภาคมพุทธศักราช2475ให้พระกรรมาฐานที่มีอยู่จังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่ออบรมเทศนาสั่งสอนประชาชนร่วมกับข้าราชการดังนั้นเมื่อพุทธศักราช 2,475 คณะพระ ก, กรรมฐานมีพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลปเปรียนห้าประโยคพร้อมทั้งพระสหจรไปร่ปหลายรูปซึ่งมีพระอาจารย์อ่อนยา น, นศิริและพระารอาจารย์ปันอาจารโรเดินทางไปร่วมด้วยในพุทธศักราช 2,475 นิ24นี้เอง นายพสตันดุตรีหลวงชานโยงเพดกองเมืองสองได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้คณะพระกรรมฐานสร้างวัดมีเนื้อที่แปดสิบไร่ที่ได้ลงมือสร้างวัดขึ้นในที่ดินแปลงนี้ท่านไดจัภาษาอยู่ด้วยวัดนี้ตั้งชื่อว่าวัดป่าสารวัยจนถึงทุกวันนี้ได้อบรมศิลธรรมให้แก่ประชาชนเกิดความเื่องใสและตั้งตนอยู่ใน แะระไตรณภม์จะได้อวัดป่าสารวันเป็นจุดศูนย์กลางลที่อบรกมกรรมฐานและเป็นสถานที่ประชุมประจำเมื่อจะเข้าพรรษาได้แยกย้ายพระพิเวศสมสานวิสต่างที่ได้ตั้งพื้นส่วนพระอาจารย์สิงห์อัตยาพโมประจาํอาจอยู่ศูนย์กลางวัดป่าสารวัน พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโล่ไปสร้างวัดป่าสภารวมข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาพระอาจารย์ภูมีทิฏฐะธรรมโมไปสร้างวัดป่าคีริวันอำเภอท่าช้างคือสมัยนั้นยังเป็นกิ่งอำเภออยู่จะให้ไปสร้างวัดป่าอำเภอจั ก, กราภพระอาจารย์ลีธรรมพโรไปสร้างวัดป่า อำเภอรกระโทกต่อมาพระจาลีไปจำพรรษาที่ป่า20ปาตนะมรุกขายวันเมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักโปรดพระปัญจวกีที่ประเทศอินเดียหนึ่งพรรษาต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสจึงมีบัญชาให้พระจาลีกลับมาประเทศไทย เพื่อให้ท่านพุกหัดภาวนาให้ในบรนปลายชีวิตท่านเจ้าพระคุณสมเด็จต่อมาพระจารีธรรมทโรได้ไปสร้างวัดขึ้นที่วัดบางฟิง้งตำบลท้ายบ้านจังหวัดสมุทรปราการและได้เป็นพระราชาคณะที่พระสุพิธธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ลีธรรมทโรและได้มดรณภาพที่วัดนี้ พระจรยทราได้สร้างวัดป่าบ้านนอนคู่อํเาเภอปักธงชัยพระจย์คำดีประพาโศหรือพระครูยานัทศีซึ่งเป็นสัษว์วิหาริษของพระครูพิสารอรั ญ, ญเขตจันเขมิโยต่อมาอยวัดข้ำผาปูจังหวัดเลยได้สร้างวัดป่าสแกราชอํเาเภอปักธงชัยพระจย์อ่อนยานศิริ พระจารย์ปั้นอาจารโรและพระจารย์คงมาจิระปุญโญไปสร้างวัดป่าบ้านใหม่ขําโรงอําเภอสีคิ้วตั้งชื่อวัดป่าสว่างอารมณ์พระจารย์ปั้นอาจารโรไปสร้างวัดป่าบ้านบรุมอําเภอหนนสูงเมื่อพระจารย์อ่อนยาณสิริได้ทํากิจพระพุทธศาสนาช่วยครูบาอาจารย์ ได้ผลไปที่พอใจของสมเด็จพระมหาเวียรวงศ์อ้วนสิโสสมัยมืดดารงตำแหน่งเป็นพระธรรมปามโมและพระโคทิวงศาจา์สังทองพันเพลงเจ้าคณะภาคสี่สมัยนั้นในระยะนี้บางปีพระอาจารย์สิงห์กันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลไปจมัสษาที่วัดบรมนิวาสช่วยอบรมภาวนา ให้แก่สปพุบุรุษแทนเจ้าพระคุณสมเด็จท่านและได้สร้างกุฏิไม้แบบท้าววอนสองชั้นหนึ่งหลังสำหรับพระอาจารย์อ่อนท่านได้ทำกิจพระศาสนาหรชีวัตฝ่าสารวันเป็นเวลาสิบสองปีเท่ากันกับพระอาจารย์ปั้นอาจารย์โรสมัยนั้นพระเถรานิเถระฝ่ายทิปปัสนากรรมฐานมีหลายรูปที่ไปทำประโยชน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จังหวัดนครราชสีมานอกจากที่ระบุชื่อมาแล้วก็มีเช่นพระจารย์อุ่นอําเภอท่าอุทเทนจังหวัดนครพนมพระจารย์กูพระจารย์กว่าพระจารย์ดีอําเภอพนานุคมจังหวัดสกลนครพระจารย์ดีจังหวัดอุบลราชธานีพระจารย์เทศเทศรังสีอําเภอผอือจังหวัดอุดอรธานี ต่อมาพระจารเพศเทพรังสีอายุเวกทางภาคใต้ได้เปิดจัมปาที่จังหวัดภูเก็ตจนได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตมาหลายปีและได้เป็นพระราชาคณะที่พระทิโรธรังสีคมภีรปัญญาจารย์ต่อมาอีกท่านมาภาคอีสานกินเดิมของท่านจัมปาศรีหลายแห่งเมื่อท่านมีอายุมากแล้วจึงอยู่จัมปาศาประจำที่วัดหลวงหมากเฟ้ อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายส่วนพระอาจารย์อ่อนยานัริริตได้ทราบสิติศัพพ์ว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์อ่อนยานัิริตและพระอาจารย์ปั้นอาจารโรเดินทางเป็นมัส ก, การท่านพระอาจารย์มั่นถึงหมู่บ้านแม้วและหมูเ่เซอร์แล้วกลับมาวัดปาด่าสารวันนครราชสีมา พุทธศักราช2496พระอาจารย์อ่อนได้ขอลาพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมมาจากพรรษาที่วัดป่าไผ่บ้านดอนเงินเพื่อโปรดญาติโยมของท่านซึ่งจะปีสุดท้ายแห่งการไปจำพรรษาในหมู่บ้านดอนเงินครั้นออกพรรษาแล้วถ้าเดินทางกลับไปวัดป่าสารวันนครราชสีมาพุทธศักราช 2,483 ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจรีจูมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเดินทางไปเองกับคุณนายทิพย์กิษณกรพระยาของพันธุบดโพพระโยงผนพ่ายได้ก่อรัฐนาพระจารมัน่นภุริทัตโตมาจากจังหวัดเชียงใหม่ให้จำพรษาที่วัดน น, นิเวศวัดป่าบ้านหนองน้ำเข็ม จังหวัดอุดรธานีรวมเป็นเวลาสามปีพุทธศักราช2485ท่านพระจารย์มั่นออกจากจังหวัดอุดรธานีไปจำพรรษาอยู่บ้านโคกและบ้านนามนตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคนรรวมเป็นสามปีจนถึงพุทธศักราช2488ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโต ไปจำภาษาวัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในาอำเภอปนานิคมจังหวัดสกลนกครพุทธศักราช2488นั่นเองพระอาจารย์อ่อนยานัชจริออกจากวัดป่าสารวันนครพรชาชสีมาไปนมันส ก, การท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือแล้วได้สร้างวัดขึ้นที่บ้านหนองโคกอำเภอปนานิคม ให้เป็นคู่กับวัดป่าบ้านหน้องผือทางที่จะไปในมัชฌิตรท่านพระอาจารย์มั่นทั้งให้ถูกตามอัธยาศัยของท่านพระอาจารย์มั่นด้วยว่าให้พระผู้ใหญ่ปวิปัสนาธุรักสร้างวัดขึ้นในรัศมีของวัดป่าบ้านหน้องผือเพื่อจะได้ฝึกหัดพระที่มาศึกษาภาวนาเป็นการแบ่งเบาภาระของท่าน เมื่อพระอาจารย์อ่อนได้สร้างวัดนี้ขึ้นแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาเป็นเวลาหลายปีและได้ไปมาสการท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำเพราะเป็นห่วงท่านพระอาจารย์เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตอาพาธหนักจึงได้นำท่านไปรักษาที่วัดป่าสุทาวาส จังหวัดสกลนครและท่านได้มอบนับภาพที่วันนี้ด้วยพุทธศั ก, กราช2493เมื่อจัดการถวายเพลิงศพท่าพระจารย์มั่นภูริทัตโตเรียบร้อยแล้วพระจารย์อ่อนยานัสริกได้ที่วิเวกไปถึงเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและได้จำพรรษาอยู่วันนี้ด้วยหนึ่งปี จากนั้นได้กลับคืนมาที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาได้สร้างกุติขึ้นช่วยพระอาจารย์สิงห์ทั้งนี้หลอกพระประธานขึ้นอีกสององค์ต่อมาพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมได้เป็นพระราชาคณะที่พระใหญ่ณวิสิทธิวิริยาจารย์ต่อมาหลายปีท่านกลับจากจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้บารณะภาพที่วัดป่าสารวันนี้เองเมื่อพระกุณท่าน พระยาณวิสิตวิริยาจารย์ได้บรรณภาพแล้วทางการคณะสงฆ์ที่ได้แต่งสร้างพระจารย์อ่อนเป็นเจ้าอาวาสแทนอยู่ประมาณหนึ่งปีแต่ท่านไม่ชอบจึงได้ยิ่นใบลากออกจากการเป็นเจ้าอาวาสเนื่องจากท่านเห็นว่าขัดข้องต่อ ก, การออกลุกขูลยิเวไปตามสรัทธาที่ต่างๆพุทธศักราช2496พระเดชพระคุณท่าน พระธรรมเจดีจูมพันธุโลผู้เป็นพระอุปัชาเห็นว่าพระอาจารย์อ่อนได้ลาออกจากการเปเจ้าวาดวัดป่าสารวัตรแล้วซึ่งมีบัญชาให้กลับมาจังหวัดอุดรธานีด้วยให้แสวงหาสถานที่ตั้างวัดป่าที่เห็นว่าเหมาะสมให้เป็นสถานที่หลบภัยสงครามที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะสมัยนั้นเึิดสงครามยุ่งยุ่นอยู่ พระจารยร์อ่อนยานัทริจรินได้เสวนหาสุานที่สร้างวัดป่าเมื่อไม่ไกลนักจากวัดโพธิสมพรเพื่อความสะดวกให้แก่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเสดีจูมพันธุโลและอุปชาของท่านท่านคัดเลือกเอาได้ที่ดงป่าช้าเป็่นที่ร ม, มนียะสถานอันลื่นลมสมควรใิเวกประกอบทำความเพียรภาวนาที่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากยาอำเภอหนองอัวซอที่ได้นำความมากราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีท่านก็เห็นชอบด้วยดังนั้นพุทธศักราช2496พระอาจารย์อ่อนที่เริ่มลงมือสร้างวัดป่านิโครทารามณนะบ้านหนองบัวบานตำบลหมากยาอำเภอหนองอัวซอจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งสอนอบรมพุทธบริษัทชาวมาองดรและจังหวัดใกล้เคียงต่างๆจนมีศรัทธาเรื่อมสายมากมายท่านได้สร้างอุโบสถวัดป่านิโครธารามว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นอุโบสถที่ใช้ทำสังฆกรรมสร้างเป็นสองชั้นและมีขนาดใหญ่สวยงามมากในงานผูกพัธศีมาสมเด็จพระสังฆราชสมเมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานถือว่าเป็นมหาสิริมงคลอันสูงส่งนอกจากนี้ยังได้สร้างบุติและศาลาการประเรียนด้วยท่านได้ระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งสองคือท่านพระอาจารย์เจากตณฑปิโลและท่านพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและประสิทธิประสาทความรู้ความฉลาดตลอดพ้นทางพ้นทุกทุกประการ และผลทางปฏิบัติกรรมฐานจินติดสร้างพระประธานฝั่งชิมแสนขนาดใหญ่หน้าตัดเจ็ดสอกหล่อ ด, ด้วยทองสูงสิบซอกประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดปานิโครธารามอันประจักษ์แกต่ตาพวกท่านทหลายอยู่เวลานี้และให้หนามว่าพระธรรมจัตตปโพชชงคพุทธศ พ, พัญยูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของท่านพระจารย์ทั้งสอง เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ได้มอบภาระศาสนาให้และก็ได้รับคำของท่านแล้วจึงได้นำสนองบุญคุณของท่านโดยเคารพลาละสังขารพุทธศักราช 2,518 พระจารย์อ่อนได้เริ่ม อ, อ า, าพาธด้วยโรคระเพาะอาหารเป็นต้นมา จะได้รับการผ่าตัดไปครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั้นก่อนเข้าพรรษาก็ได้รับการผ่าตัดอีกเกี่ยวกับลำไส้อุดตันอีกรวมเป็นสองครั้งตอนนั้นไปก็ได้ทำการรักษามาตลอดปีก็พอสมัวรได้สังขารร่างกายของท่านก็ทุดโทมมากสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรถึงอย่างนั้นท่านก็ยังพยายามอุสาหะพยายาม ท่ามกิจของพระพุทธศาสนาสเคร์คณะสัทธาญาติโยมตลอดถึงพระพิสุทธิสัมมาเนที่เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายรวมระยะที่ท่านไม่แข็งแรงเป็นเวลาหปีที่ผ่านมาการอยู่ชันพระตาหารของท่านก็เปลี่ยนแปลงไปโดยมาก ท่นจะฉันผัาตาหารเกือนมันเป็นส่วนมากหลังจากทำการผ่าตัดการฉันพัตตาหารไม่เถ็นส่วนถ้าฉันผัตตาหารที่ไม่ถูกพาดหรือผิดเวลาเหล่านี้มักมีอาการท้องร่วงตลอดมาแต่นั้นท่านก็ได้พยายามรักษามาทั้งภายในและภายนอกพอทรงตัวอยู่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2524เดือน คือสภาคมวันที่ที่สาท่านก็เริ่มอาพาธวันที่ท่านอาพาธนั้นตอนเช้าท่านก็ยังไปบินธบาร์มาฉันทาตาหารตามปกติธรรมดาเหมือนทุกวันพอฉันทาตาหารเสร็จท่านก็ได้เข้าพักผ่อนตามที่เคยปฏิบัติมาประจําเวลาประมาณชกี้ยววันท่านก็เคยออกมาต้อนรับแขกที่มานมรดการประจําวันนั้นเห็นผิดสังเกต ท่านไม่ออกจากห้องพักตามปกติลูกศิษย์ที่คอยปฏิบัติดูใกล้ชิดจึงไปดูและเรียกแต่ท่านไม่ขานต่อจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูเห็นอาการนอนเทียบอยู่ถึงถามก็พูดไม่ได้ตั้งแต่ขณะนั้นมาจึงได้เอาท่านออกมาข้างนอกทําการพยาบาลกันเต็มความสามารถเห็นอาการไม่ดีขึ้นจึงได้ไปตามเอาหมอที่โรงพยาบาลมาตรวจรักษา นายแพทย์ตรวจ ด, ดูอาการพบว่าเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองอุดตันหรือเส้นโลหิตในสมองตีบแพทย์ก็แนะนำให้ออกไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีวันต่อมาวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2524จึงได้ติดต่อขอรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ายประจักษ ศิลปาคมอุดรธานีแพทย์ก็ให้การรักษาสุดความสามารถอาการก็ไม่ดีขึ้นวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2524จึงได้นำขึ้นเครื่องบินจากอุดรธานีส่งโรงพยาบาลเซริราชกรุงเทพให้แพทย์รักษาจนสุดความสามารถอาการยังไม่ดีขึ้น วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2524ก็ได้นำท่านไปตรวจสมองที่โรงพยาบาลรามาและก็นำกลับโรงพยาบาลจริราาอีกแผ์ให้การรักษาเป็นอย่างดีเช่นในแพทย์ประวัติผงประภาคและในแพทย์ประกิจเหล่านี้เป็นต้นได้อาการยังไม่ดีขึ้นวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช 2,524 เวลาก awn คืนวันพุธสนาฬกาพัานไม่ได้มรณภาพเรื่องอาการอันสงบ ต, ต่อหน้านายแพทย์และคณะลูกศิษย์ที่ติดตามรักษารุ่งเช้าวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช 2,524 ได้ทำพิธีรดน้ำศพที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็นำศพทึ้งกลับวัดป่านิโครทารามบ้านหนองบัวบานตำบลหมักยาอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดอรธานีโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาได้นำส่งไปถึงวัดและตั้งศพบนเพนกุศลเจ็ดวัน ห้าสิวันร้อยวันตลอดมาพระาจารย์อ่อนอยาน ก, กริริท่านได้สละชีพเพื่อพระพุทธศาสนาเริ่มแต่อายุสิบหกปีใ น, น้านข้าวัดได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเดินตรงต่อสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะจนถึงวันวรณภาพ รวมอายุได้80ปีเป็นสัมมาเนาาน3คันษาเป็นพระ58คันษา